บาปอันเกิดขึ้นในตนพระพุทธภาสิทธอัตนาหิกตังป่าปังอัตตะพระชังอัตะสัมภวังอภิมัตติดุมเมธังวะเชรังวัมหยังมะนิงแปลความว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่มดีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรเ ก, เกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้น อธิบายความบาปคืออะไรเป็นอย่างไรได้อธิบายมาแล้วในวักอันว่าด้วยบาปคือบาปวักวันน า, นาบาปนี้บุคคลเป็นผู้ทาท่านจึงกล่าวว่าอันตนทำไว้แล้วบุคคลใดทำบาปบาปย่อมตกแก่บุคคลนั้นบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนติปาปังอากุปปโตเมื่อบุคคลทำบาปบาปนั้นย่อมเข้ามาสูต่ตนเหมือนคนไม่ระวังในการอยู่การกิน ปล่อยให้เชื้อโรคเข้าสู่ตนโดยทางอาหารบ้างทางลมหายใจบ้างเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ตนแล้วก็เริ่มทําลายบุคคล น, นั้นให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆแล้วแต่ชนิดของเชื้อโรคอาจทําทให้ถึงตายบ้างมีอาการปางตายบ้างทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานบ้างการทําลายเชื้อโรคในกายก็โดยวิธีกินยาหรือฉีดยาตามคําสั่งของหมอเมื่อเชื้อโรคตายไปอาการของโรคก็หมดไปฉันใด บาปที่บุคคลทำแล้วด้วยกายวาจาใจก็ฉันนั้นย่อมต้องการยาคือบุญมาเป็นเครื่องปิดกั้นหรือละลายดังพระพุทธภาษิตว่ายะสะปาปังกระตังกรรมมังกุสะเลนะปิทิยติโซมังโลกังภพาเซติอัภามุตโตวจันดิมากรรมชั่วที่บุคคลใดทำแล้วและปิดกั้นมันได้ด้วยกุศลกรรมผู้นั้น ย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเมื่อบุคคลมันสั่งสมบาปไว้ในตนบาปนั้นพ่อพูนมากขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นมันก็มีพิษแสดงฤทธิ์ออกโดยการทําลายบุคคลผู้ทํานั้นมันทํานองเดียวกับยาพิษคนทำบาปย่อมได้รับผลของบาปทุกคนไปจะเร็วหรือช้าเท่านั้นนี่แหละท่านจึงว่าย่อมย่ํายีกัดกร่อนคนขา่าวเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อในช่าง จะเจรไนแก้วมณีเขาก็ใช้เพชรเป็นเครื่องมือเจรไนเราคงเคยเห็นช่างตัดกระจกกอบรูปเขาใช้กากเพชรติด ป, ปลายมีดเป็นเครื่องมือตัดแก้วกระจกนั้นท่านจึงว่าอ่อนก็อ่อนให้เหมือนเส้นไหมไว้ผูกพยักษ์ขึ้นโยงเขียนแข็งก็แข็งให้เหมือนวิเชียนไว้เจรไนแก้วได้ท่านว่าทั้งแก้วมณีและเพชรก็เกิดจะขินเหมือนกัน เพชรแข็งกว่าจึงเจาะเจรไนแก้วมันีให้เป็นรูปต่างๆตามประสงค์ของช่างความจริงเพชรก็คือฐานสีขาวนั่นเองลองเอาเพชรมาเผาไฟดูก็จะเป็นฐานมันมีราคาขึ้นมาเพราะแสงอันแวววาวของมันคนชอบเอามันมาเป็นเครื่องประดับทำนั่นทำนี่แวววาวดีแสดงฐานะของผู้แต่งว่ามั่งคั่งแต่เพชรนี้ได้เป็นเครื่องมือฆ่าคนมากคนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคามาก นักปราบมองเพชรเป็นเพียงฐานสีขาวและเห็นเป็นอันตรายถ้าสะสมมันไว้มากๆคนฉลาดจึงมักเปลี่ยนเพชรให้เป็นอย่างอื่นเสียเช่นถ้าพอเปลี่ยนมันเป็นบ้านได้ก็เปลี่ยนดังนี้เป็นต้นพระศาสดาทรงสแสดงธรรมเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชเทวนารามทรงปรารบอุบาสกผู้หนึ่งชื่อมหาการมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องอุบาสกชื่อมหาการมหาการอุบาสกนั้น รักษาอุโบสถศีลเดือนละแปดวันคือวันขึ้นและแรมเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำและสิบห้าค่ำในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืนคืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาห่อของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงออกติดตามพวกโจรได้หนีกระจายกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึง่ง มาทางสะโบกครณีหน้าเชตวันวิหารทิ้งห่อของแล้วรีบหนีไปมหาการอุบาสกออกจากฟังธรรมแล้วมาล้างหน้าที่สะโบกครณีนั้นเจ้าของทรัพย์ตามโจรมาเห็นห่อของของตนและเห็นมหาการกำลังล้างหน้าเข้าใจว่าเป็นโจรจึงทุบตีจนตายภิกษุทั้งหลายออกมาถักน้ำเห็นมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระาศาสดาว่า มหาการตายไม่สมควรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอยู่มหาการตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่สมควรแก่กรรมในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายอยากทราบเรื่องอ่อนวอนให้ทรงแสดงจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของมหาการว่าในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพระนาศีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎร รราชาจึงทรงตั้งราชัราชพัฏคือข้าราชการคนหนึ่งไว้ที่ปากลงนั้นแต่ราชพัฏนี้นอกจากรับเงินเดินหลวงแล้วยังรับเงินจากราษฎรอีกด้วยคือรับค่าจ้างแล้วนำคนผู้เดินทางจากฝากนี้ไปยังฝากโนนนาจากฝากโนนมายังฝากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยาน้อยมากับพัญญารูปสวยถึงที่นั้น ราชาพัชพอได้เห็นพันยาของชายนั้นเท่านั้นก็เกิดความเสน่หาคิดจะฆ่าสามีเอาหญิงนั้นเป็นพัญญาเมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้นําเขาข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสร็จแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะความจริงยังมีเวลาอยู่แม่ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้ยาน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตอนกลางคืน ได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและคุ้นได้ที่ยานของสองสามีพัญญานั้นจึงช่วยกันทุบตีจนบรุษนั้นตายเพราะกสมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุกถึงตายสิ้นร้อยอันตภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าที่ษุทั้งหลายบาปกรรม อันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสาสตร์ให้เดือดร้อนในอบายสีเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรเ ก, เกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้น